สนทนาธรรมเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงบรรยายเมื่อวันที่27เมษายนพุทธศักราช2543คุณอาจารย์คุณประเวทพูดวันนี้ก็มีแง่มุมที่จะแยกออกไปได้อีกเยอะเลยนี่ในเรื่องใหญ่ๆ อันดุภาพคิดว่าเราต้องทํำความเข้าใจให้ชัดแล้วก็ต้องทําให้คนทั่วไปเนี่ยมีความชัดเจนด้วยในความหมายของคำว่าพอเพียงหรือเศรษฐกิจพอเพียงเพราะเท่าที่ฟังเนี่ยก็แสดงว่าคนยังไม่เข้าใจชัดเพราะความหมายมันยังไม่ชัดมันก็ต้องเสียงกันอยู่แค่นี้เองนี่คําว่าเศรษฐกิจพอเพียงคืออย่างไร ก็อาจจะเพียงเริ่มพิจารณาหรือว่าช่วยร่วมพิจรารณาเช่นเราอาจจะพูดว่าความหมายของพอเพียงก็มองได้สองอย่างมองแบบวัตถุวิสัยหรือว่าพาหิระวิสัยคือมองภายนอกหรือที่ประหลังหรือว่าออบเจกทีแล้วก็มองแบบจิตวิสัยหรืออัจฉติกวิสัยเป็นซับเจกตี นี่พอเพียงที่เป็นเรื่องด้านวัตถุวิสัยเนี่ยก็คือว่ามันต้องมีกินมีใช้ที่เป็นอยู่ได้เนี่ยมีอาหารกินเพียงพอมีเสือ้อผ้ามีปัจจัยสี่เพียงพอให้เป็นอยู่ที่เราพูดกันง่ายๆว่าพอสมควรแก่อัตภาพซึ่งอันนี้มันจะใกล้ขับว่าพึ่งตนเองได้ในทางเศรษฐกิจ นี้ความหมายที่สองที่ว่าเป็นจิตวิสัยเรื่องด้านจิตใจภายในหรือเป็น subject ก็คือว่าคนจะมีความรู้สึกเพียงพอไม่เท่าัมีบางคนนี่มีเท่านี้ก็ยังไม่พอเนี่ยมีเป็นล้านก็บอกว่าฉันไม่พอฉันยังเป็นอยู่ไม่ไหวขนาดนี้เนี่ยแต่บางคนเขามีนิดเดียวเขาก็พอแล้วเนย อันนี้พอเพียงทางด้านจิตนี้สภาพปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่ามันไม่พอเพียงทั้งสองด้าน mm hmm. พอเพียงด้านวัตถุนี่ไหมหมายถึงคนไทยส่วนรวมนะส่วนใหญ่ไม่ใช่เป็นกลุ่ม น, นิดเดียวคนไทยส่วนใหญ่นี่ที่เราบอกว่ายากจนขาดแคลนแรงแค้นก็คือความไม่พอเพียงทางด้านวัตถุวิสัยหรือด้านออบเจคีฟคือ ของกินของใช้เพียงจะให้อยู่ได้มันก็จะไม่ไหวและวให้ชีวิตสุขภาพดีแข็งแรงเนี่ยแค่นี้เขาก็ไม่ไหวละร่างกายเขาอย่างน้อยเขาก็ต้องดีมีสุขภาพแข็งแรงได้ยึงเราจึงเรียกว่ามันขอบเพียงที่จะหล่อเลี้ยงชีวิตเหมือนต้นที น, นี้ด้านจิตใจก็ไม่พออีกเนีเพราะเดี๋ยวนี้สนับสนุนความโลภ กระต้นความโลภ ก, กันก็ยิ่งไม่เพียงพอใหญ่ก็ขัดแคลนเท่าวีคูณเลยสภาพปัจจุบันของคนไทยกลายเป็นว่าเป็นปัญหาสองชั้นนี้สิ่งที่เราต้องการก็คือว่าในด้านวัตถุเนี่ยสามารถตั้งเกตได้ไหมว่าแค่ไหนเรียกได้ว่าพอเพียง แค่การที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้มีสุขภาพดีเป็นต้ น, นและสามารถเป็นเครื่องเกื้อหนุนให้ทำอะไรแต่อะไรอื่ น, นได้ที น, นี้ด้านจิตใจที่ว่าพอเพียงอันเนี้ยความพอเพียงของคนส่วนใหญ่เนี่ยก็ควรจะสอดท้องกับความพอเพียงทางด้านวัตถุ แต่มีคนที่พัฒนาขึ้นไปแล้วนี่สามารถจะมีความพอเพียงในทางจิตใจโดยมีวัตถุน้อยไนดะ้คนทั่วไปเขามีเท่านี้เขาจึงพอเพียงแต่ว่าคนที่พัฒนาทางจิตใจเนี่ยสามารถมีความรู้สึกพอเพียงได้ง่ายแต่ความพอเพียงอันนี้มันไม่ใช่ว่ามันเป็นจุดจบในตัวซึ่งต้องระวังเพราะว่าคนที่พอเพียงแบบนี้ที่เราเรียกว่าสันโดษ ถ้ามันไม่มีตัวอื่นมารับคือมันไม่มีเป้าหมายอื่นมาเนี่ยมันนำไปสู่ความประมาทได้คือคนนี้พอมนสุกเนี่ยมันจะเฉื่อยนี่พราะนั้นพวกที่ไม่เข้าใจก็จะนึกเอต้องให้กระตุ้นความโลภเพื่อเขาจะได้กระตือรือร้นผลขวายทำการต่างๆขยันวันเพียนความจริงเรื่องนี้ก็ละเอียดพอสมควร ที่ว่าพอเพียงมีความพอใจได้วัตถุแม้เพียงเล็กน้อยอยู่ได้เป็นสุขง่ายนั่นก็แสดงถึงภาวะที่เขามีเรื่องอื่นที่เขาจะต้องทำหนึ่งคือมีดีอื่นที่สูงขึ้นไปคนพวกนี้จะต้องมีปัญญามองเห็นว่ามีอะไรดีเหนือกว่าวัตถุที่จะมาเสพมาบำรุงบำรุต้องการจะเข้าถึงสิ่งที่ดีงามกว่า สองก็พอเพียงเพื่อจะได้มีความสามารถที่จะช่วยเหลือเพื่อกูผู้อื่นถ้าเราไม่รู้จักพอเราก็จะเอาฝ่ายเดียวก็จะดึงจะคนอื่นเรื่อยไปแต่ถ้าเราพอแล้วเราก็สามารถที่จะเอาส่วนที่เกิดจากนั้นให้แก่ผู้อื่นไม่ใช่หมายความเราหยุดทำเพราะว่าทำแล้วฉันพอแล้วกันเลยไม่ต้องทำนี่เราทำแล้วเรารู้จักพอแล้วเรา ก็เอาส่วนที่เกินส่วนที่มีมากเนะี่ยไปสามารถเกื้อนหนุนผู้อื่นช่วยเหลือสังคมทําการจ้างสรรต่างๆได้อาจก็แปลว่ามีสองชั้นหนึ่งก็คือเกินพอเพื่อสามารถช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์สังมเกินพอเพราะมันมีเรื่องอื่นที่ยังไม่พอใช่ไหมมนุษย์มันจะมีแค่วัตถุแต่ตอนนี้ที่สําคัญมาก คือพวกมนุษย์ผู้ไม่รู้จักพอเนี่ยเขานึกว่าชีวิตของเขาเนี่ยอยู่ได้วัตถุต้องมีวัตถุให้มากที่สุดเพราะนั้นมนุษย์พวกนี้มันก็จมอยู่แค่นี้เองไม่มีอะไรดีขึ้นไปทีนี้ชีวิตที่ดีงามมันมีเหนือกว่า น, นั้นมีสิ่งที่ต้องจเจริญขึ้นไปแต่ว่าจะเป็นเรื่องวิเศษทางจิตใจทางปัญญา แม้แต่อารยธรรมนุษย์ที่สร้างสรรค์นเนี่ยมันก็ต้องมีดีเช่อนอย่างมังลักวิทยาศาสตร์อยากจะค้นคว้าเนี่ยรู้ความจริงของธรรมชาติอะไรต่างๆเราเนี่ยไอ้พวกนี้มันต้องเพียงพอวัตถุมันต้องรู้จักพอเพียงถ้าพวกนักวิทยาศาสตร์นักค้นคว้าพวกนี้ไม่รู้จักพอเพียงวัตถุไม่มีทางไปล่ะจะค้นคว้าวิทยาศาสตร์ไปไม่ได้เพราะนั้นเราจะเห็นชัดคือพวกรู้จักพอเพียงในพวกที่สร้างความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ การอารยธรรมต่างๆเหล่านี้คือพวกรู้จักพอเพียงวัตถุแต่มันมีอื่นที่เขาเห็นอยู่ว่าเขาจะต้องไปทําพำนะอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญก็คือพร้อมกับการพอเพียงวัตถุเนี่ยเราจะต้องมีอะไรที่ให้เขาเห็นว่าที่มนุษย์ควรจะไปสนใจใส่ใจอี้นีที่จะต้องหันไปทําอันนี้ก็เป็นจุดสําคัญแล้วที่ท่านอาจารย์เอกวิทย์พูดมาก็เลยทําให้มองอันนี้ได้ด้วยคือที่บอกว่าเออม ไม่ใช่แค่เศรษฐกิจเท่านั้นนะอันนี้แหละคือว่าเศรษฐกิจพอเพียงก็หมายความว่าเรารู้จักพอกัได้เศรษฐกิจเพราะมันชีวิตสังคมมนุษย์มันไม่ได้อยู่ด้วยแค่เศรษฐกิจนะมันมีเรื่องอื่นที่เรายังไม่พอเราจะต้องไปทำอีกเยอะแยนะนรู้จักพอกับเรื่องเศรษฐกิจเพราะมีเรื่องอื่นที่ยังไม่พอนแน่นอนเลยมนุษย์เนี่ยที่เราจะต้องไปทาแล้วเราหันเห ความสนใจเอาใจใส่ไปทําเรื่องนั้นนและอันนั้นจะเป็นความดีงามความประเสริฐของมนุษย์ที่แท้จริงมิฉะนั้นมนุษย์ก็จะไม่ต่างกันสัตว์ดิเรกชนันใช่ไหมเพราะว่ามัวหมกมุ่นอยู่กับวัตถุแต่ว่าร้ายกับสัตว์ดิเรกชนันที่ว่าสัตว์ดิเรกชนันมันยังพอเพียงวัตถุง่ายแต่พระมนุษย์เนี่ยมันไม่รู้จักพอเพียงวัตถุด้วยทีนี้จะดีกับสัตว์ดิเรกชนันก็มีไอ้ความไม่พอเพียงด้านอื่นที่มันเหนือขึ้นไปเนี่ย ที่เราเรียกว่าเป็นอารยธรรมที่แท้จริงเนี่ยซึ่งปัจจุบันนี้ก็สับสนที่ว่าจะเอาอารยธรรมมามองแค่วัตถุดัะนั้นความจเจริญทางจิตใจาทางปัญญาที่จริงอย่างเด็กนักเรียนสมัยก่อนมแปดตรี่บุโดมนี่เรียนหนังสือเล่มหนึ่งของนาย C E M โจ์ชื่อ Civilization นะซึ่งเล่ม น, นี้ก็ดีเล่ม น, นิดเดียวหนาไม่กี่หน้ามั้งไม่ถึงรอยหน้าด้วยนั่นแหละ แกวิเคราะห์เรื่องอารยธรรมแกบอกมันไม่ใช่แค่วัตถุวัตถุอะไรเนี่ยไอ้ความเจริญจ้าวหน้าทางวิทยาการจิตใ จ, จที่ไปพึงพอใจในศิลปะวัฒนธรรมความดีความงามแสวงปัญญาต้องการความรู้อะไรพวกเนี้ยเนี่ยคืออารยธรรมที่แท้จริงอันนี้คือสิ่งที่เรายังไม่พอนะันะแล้วเสร็จแล้วมนุษย์เนี่ยมาไม่พออยู่แกแค่วัตถกุก็เลยไม่ได้นิสัยสิ่งเหล่านั้น ถ้าเทียบกับชาวพุทธศาสนาเนี่ยเราจะเห็นชัดว่าพระพุทธเจ้าตัดไว้คู่กันให้สันโดดในวัตถุเสพมือ ม, มืมเอเลวแต่ให้ไม่สันโดษในกุศลธรรมอันนี้ชัดมากถ้าวัตถุเสพให้รู้จักพอถ้าคุณไม่รู้จักพอแล้วคุณเอาเวลาในางานแลคัความคิดมาทุ่มให้กับมันหมดคุณไม่ได้อะไรแต่ถ้าคุณพอเพียงวัตถุแล้วคุณก็จะเหลือเวลาออมเวลาในงานแลักพาคิดเนี่ย ไปทําการสร้างสรรค์ไปคิดพัฒนาชีวิตของตนทําสิ่งที่ดีงามได้อีกเยอะท่านเรียกว่ากุศลธรรมก็เอาเวลาแรงงานและความคิดที่สงวนไว้ได้จากการที่ไม่มัววุ่นวายกับวัตถุเนี่ยไม่มัวบํารุงบําเลออะไรเนี่ยเอาไปใช้ในการสร้างกุศลธรรมใช่ไมลงไง่มันก็จะดีกันใหญ่เพราะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องดุลยภาพอย่างหนึ่งคือเรื่องสันโดษในวัตถุกับไม่สันโดษในกุศลธรรม คือเราไม่ได้จบแค่นี้แล้วอันนี้มันจะเข้ากันหลักที่เราถือว่าเศรษฐกิจนี้เป็นปัจจัยใช่ไหมก็ศัพท์ของเราที่ออกมาจากพุทธศาสนามนก็ชัดอยู่แล้วเรามองวัถตถุต่างๆเราเรียกว่าปัจจัยเช่นปัจจัยสี่ก็คือมันเป็นสิ่งจําเป็นแต่เป็นเป็นในฐานะนที่เป็นเครื่องเกื้อหนุนคําว่าเป็นเครื่องเกื้อหนุนก็หมายความว่าเออมันมีอะไรดีที่เราจะไปเอากว่า น, นี้ พู้ง่ายๆก็คือว่าเศษรษฐกิจไม่ใช่จุดหมายแต่เศษรษฐกิจเป็นปัจจัยเครื่องเกื้อหนุนให้เราเนี่ยมีกําลังที่จะไปทําไปหาไปแสวงสิ่งที่สูงที่ดีกว่าอันนี้เป็นแนวคิดที่ต้องชัดคือเวลานี้มันจะมองเศษรษฐกิจเป็นจุดหมายมุ่งว่าให้มีเศษรษฐกิจทั้งพร้อมมีวัตถุเสรบริโภคบริบูรณ์แล้วคือ ความสำเร็จและความสุขสมบูรณ์นะี่อันนี้คือมองเศษรษฐกิจเป็นุัหมายแต่ว่าถ้ามองไปปัจจัยก็มองว่าเศษรษฐกิจเนี่ยจำเป็นต้องมีแต่เราไม่ใช่อยู่แค่นี้มันเป็นเครื่องเกื้อหนุนทำให้เราสามารถจะก้าวไปสู่สิ่งที่ดีงามอื่นต่อไปนะมันไม่ใช่จบแค่นี้นี้เศษรษฐกิจพอเพียงก็ต้องทำความเข้าใจนี้ให้ชัดด้วย ที่ว่าพอเนี่ยพอวัตถุเนี่ยไม่ใช่หมายความก็จบเท่านี้ด้วยนะแต่มันหมายถึงว่าเพราะมันมีอื่นที่เราจะต้องไปทําต่อไปนี่ก็เป็นแง่คิดอันหนึ่งก็ในความพอเพียงอันเนี้ยก็ซ่อนความหมายอะไรต่างๆไว้เยอะเลยเช่นความพึ่งตนเองได้เพราะเวลานี้คนไทยนี่ไม่พอเพียงแม้แต่ทางวัตถุวิสัยนไม่มีกินมมีใช้ แล้วก็ต้องพึ่งพาขึ้นต่อผู้อื่นทานนิยมของโลกของตะวันตกที่เขาปันไอ้ค่านิยมขึ้นมานั้นก็ไม่มีความเป็นตัวของตัวเองก็พึ่งตนเองไม่ได้ไม่มีความเป็นตัวของตัวเองไม่มีอิสรภาพนียคือการกลายเป็นว่าขาดอิสรภาพพื้นฐา น, นเวลานี้แย่มากคือเป็นคนไร้อิสรภาพอันนี้คนที่ ว่ามีอิสระพึ่งตนเองได้เนี่ยมันก็มีความหมายโยงไปหาทำว่าทำเองได้นะทำเองได้ด้วยผลิตเองได้ไม่ใช่หมายความว่ต้องเป็นผู้ซื้อมาเสพอตนนี้เวลานี้ปัญหาของสังคมไทยก็มีอันนี้ด้วยไม่พอเพียงพึ่งตนเองไม่ได้เพราะทำไม่ได้ต้องคอยรับคอยเอาจากที่อื่นคอยซื้ออย่างนี้ก็เป็นท่า เป็นฝ่ายรับตามเขาด้วยไปเพราะนั้นก็จะต้องเน้นเรื่องทำเองได้เวลานี้คนไทยทำอะไรถ้าไม่เป็นเลยนับวันจะทำให้เป็นยิ่งขึ้นจะหาผลกำไรแสวงหาความร่ำรวยทางวัตถุจากการไม่ต้องทำเนี่ยทิศปั่นโน่นปั่นนี่เนี่ยขายของเก่าขายทุนเดิม คอยสังเกเศรษฐกิจไทยที่เราบอกขยายตัวเนี่ยมาจากการขายของเก่าขายทุนเดิมเป็นส่วนใหญ่ขายอะไรขอภัยขายตัวขายแรงงา น, นขายธรรมชาติแวดล้อมสิ่งที่ตัวมีแม้แต่การท่องเที่ยวก็มองกันในแง่ว่าเอาไอ้สิ่งที่มีมาขาย แล้วก็พอขายไปแล้วไม่ใช่ขายแล้วรักษาได้ด้วยท<น>ํายับเยินเลยนขายเรื่องขายของเก่าคุณเดิมทางนั้นไม่มีนักรนสร้างสรรค์เลยเศรษฐกิจที่ดีต้องเป็นเศรษฐกิจของนักส ร, ร้างสรรใช่ไหมต้องทําขึ้นมา น, นี่คนที่เป็นอย่างนี้มีแต่เสื่อมอันนั้นก็ต้องถือว่าอยู่ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนี้ด้วยคือพอเพียงได้พึ่งตัวเองได้แล้วก็ทําเองได้ แล้วก็มีอิสรภาพอันนี้ก็เป็นแง่คิดต่างนี้มันจะโยงไปหาเรื่องสิ่งที่ตรงข้ามซึ่งเราต้องชัดพ อ, พอเพียงที่ต้องชัดอันนี้นะ ท, ที่ว่าเอาเศรษฐกิจเป็นปัจจัยมีอะไรที่เราจะต้องไปเหนือกว่า น, นี้ที่เราจะต้องเอาที่เรายังไม่พอชีวิตสังคมมนุษย์นี่ยังไม่พอวัฒยธรรมยังไม่พอเยอะเลย เดมามองแค่วัตถุอย่างเดียวมองแค่เงินทองชีวิตมนุษย์อะไรมันไม่ดีแค่นี้หรอะทีนี้เรื่องหนึ่งที่ชัดก็เรื่องฝ่ายตรงข้ามเพราะฝ่ายตรงข้ามเขาจะบอกว่ายุต้องให้มีความโลภมากต้องให้มีกรีดแล้วก็จึงจะสร้างสารรค์ขยันมันเพียนเศรษฐกิจจึงจะเจริญเป็นต้น อันนี้ที่จริงหลักพุทธศาสนาก็ง่ายๆอยู่แล้วท่านบอกว่าให้คนอยากทําไม่ใช่อยากได้เนี <c> ่ย <oughs> ให้ฉันไม่ฉันพระอยากทําถ้ามีโลภะมันอยากได้ให้คนอยากได้เนี่ยมันต้องหาทางที่จะได้โดยไม่ต้องทํานี่ก่อน <c oughs> ถ้ามันได้โดยไม่ต้องทํามันดีที่สุด <c oughs> นี่มันเรื่องธรรมดาเนี่ยทีนี้คนอยากทำํำนี่มันทําจะได้หรือไม่ได้ ท, ทําเท่านั้นเนี่ย นี่คนไทยนี่ขาดมากคือไอ้คนอยากทําเนี่ยมันมีแต่อยากได้น่ากลัวที่สุดนี้นักเศรษฐศาสตร์ปัจจุบันก็หน้าวิเคราะห์นักเศรษฐศาสตร์เองเราไปชื่นชมเศรษฐศาสตร์ตะวันตกเราเข้าใจเศรษฐศาสาตร์ตอนตกจริงหรือเปล่า น, น, นักเศรษฐศาสตร์ไม่ใช่เฉพาะเข้าใจเศรษฐศาสาตร์ตอนตกจริงหรือเปล่าด้วยเข้าใจ สภาพแวดล้อมภูมิหลังของสังคมจอนตกที่เป็นแหล่งที่มาของแนวพิเศษศาสตร์นั้นด้วยคิดว่าน้อยนักที่จะเข้าใจที่จะรู้เราเรียนตะวันตกกันมาเนี่ยกลับมาโดยไม่รู้จักสังคมตะวันตกเลยได้แต่วิชาความรู้เฉพาะที่ตัวเรียนซึ่งอันนี้ถ้าจะเทียบก็ถือว่าฝรั่งฉลาดกว่าก็ได้ฝรั่งนี่ เวลามาสัมพันธ์กับพวกตะวันออกนี่เขาจะมีพวกที่คนพาวิจัยวิเคราะห์ไอสังคมนั้น น, นให้รู้กลุ่มหลังวัฒนธรรมให้ชัดเนีเวลาคนไทยไปเรียนนี่ไปทําวิจัยให้เขาเอามาทําเรื่องตัวเองฝรั่งก็ชอบฝรั่งชอบเพราะฝรั่งได้เนี่ยฝรั่งจะมาวิจัยวิเคราะห์เมืองไทย น, นี่ต้องลงทุนเยอะนี้คนไทยไปทําป ร, ริญญาให้เขามาวิเคราะห์ วิจัยเรื่องมองไทยนี่เขาได้สะดวกในลงทุนน้อยนิดเดียวเนอะรัเขาได้ะอนนั้นเขายิ่งดีใหญ่ทีนี้ทำไงคนไทยเราไปมึงนอกเนี่ยเราเรียนเนี่ยจะวิจัยทั้งสองอย่างหนึ่งก็คือเราต้องมีเป้าหมายแน่นอนเลยต้องเข้าใจสังคมผลักให้ชัดเจนแกเป็นยังไงมาภูมิหลังแกยังไงเหตุปัจจัยของแกยังไงที่ทาให้แกเจริญหรือเสื่อมแบบนี้ ในคนไทยจำนวนหนึ่งจะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนโดยเฉพาะเป้าหมายนโยบายของประเทศชาติในการส่งเสริมการศึกษาหรือให้ทุนการศาึกษาส่อันหนึ่งก็คือรู้เราที่ว่าคนไทยของเรามาวิจัยของเราก็ถูกแล้วส่วนหนึ่งแต่ว่าอย่าขาดเป็นั้นขาดวิจัยเรื่องสังคม ต, ตัวจนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสังเกตคนไทยเราไปเรียนจบอะไรมาแล้วไม่รู้จักสังคมพลังเราะนั้นก็ไปเข้าใจเขาถูกถูกผิดผิด เรื่องในเรื่องเศรษฐศาสตร์นี่เป็นต้นด้วยไอ้เรื่องที่ว่าเศรษฐกิจเจริญด้วยการกระตุ้นความโลภเนี่ยมันน่าจะได้บทเรียนแล้วเราเริ่มยุคพัฒนาประมาณพศสองพันรอยสามก็คือยุคจอมพลสฤษดิ์เนจอมพลสฤษดิ์ธนรัตได้เริ่มเข้าสู่ยุคพัฒนาก็มีพวก หน่วยราชการอะไรต่างๆที่ชื่อพัฒนาขึ้นมาเยอะแยะเลยคนะำว่าพัฒนาก็เริ่มเครื่องสูงขึ้นมาพัฒนาก็มองไปในแง่วัตถุสร้างสนุนทุนทางกระตุ้นคนให้อยากได้อยากมีทีวีอยากมีรถเครื่องนะนะแล้วก็จะได้ขยันหมันเพียรทำการทางานกันใหญ่เข้าใจว่าอย่างนั้นอันนี้ก็เข้าใจว่าฝรั่งเป็นอย่างนี้ด้วยนกะ็เลยมาสอนบอกว่าถึงกัท่านจําพลสฤิ์เองเนี่ยพูดในที่ประชุมของพระ ต้องสารไปในฐานะนายกรัฐมนตรีที่ประชุมพระสังฆาธิการทั่วประเทศบอกว่าขอให้พระอย่าได้สอนหลักสันโดษวันนั้นเนยเพราะว่าประเทศชาติกำลังต้องการพัฒนานี่อันนี้คือความหลงผิดของคนชั้นนำถ้าจะพูดแรงๆนั้นเลยพีเคือไม่เข้าใจทั้งตัวเองและผู้อื่นหลักธรรมวสันโดษก็ไม่เข้าใจก็ไปเข้าใจใใใคล้ายๆกับชาวบ้าน คือคนผู้นำนี่มีความรู้หลักภูสนาแค่ชาวบ้านนี่มันไม่พอเนะีควรจะไปแก้ไขปรับปรุงความคิดของชาวบ้านได้นะถ้าเขาเข้าใจสันโดษยังไม่ถูกก็ไปปรับให้ถูกนี่สองก็เข้าใจฝรั่งว่าเออฝรั่งนี่จเจริญได้โลภะว่างั้นเนะี่ยอันนี้คือแสดงความไม่รู้เรื่องน่อันะนี้แล้วผลจากการพัฒนาแบบนั้นตอนนั้น ที่จริงฝรั่งนี่เองเป็นคนที่เริ่มเพราะว่าองค์การโลกสหรประชาชาติได้ประกาศให้ปี19กอนนั้นก็60ถึง1970นี่เป็นเขาเรียกว่า development decade เป็นทศวรรษแห่งการพัฒนาเป็นทศวรรษที่หนึ่งแล้วต่อมาพอ1970เล้วองเขาก็ประกาศ development decade ที่สองต่อมาเรื่อยๆเจกระทั่ ง, ทงมาถึงตอนหลังนี่บอกว่าเป็น as เป็น u n นท s t a i n a b l e Development ทั้งหมดที่ที่ทำมาหลายทศวรรษนั่นเนะี่ยเป็น u n นท s t a i n a b l e Development ที่การพัฒนาที่ไม่ยัง่งยืนแต่กว่าจะสรุปได้ในกี่เด c a d e ทน่ทีนี้คนไทยเมืองไทยก็เป็นเริ่มการพัฒนาในพร้อมกับการประกาศของสาประชาชาติคือ Development d e c a d e ที่หนึ่งก็คือหนึ่งเก้าหกศูนย์ก็คือ2องพร้อยสาเราเริ่มต้นพร้อมกับองค์การโลก แล้วเราก็รับผลของการพัฒนาในวัดนี้ถ้ารับร่วมกับโลกก็คือการพัฒนาที่มันยังอยู่แต่ที่รับเฉพาะประเทศไทยก็คือสภาพคุ้งเฟ้อฟ่อนเละเทะต่างๆที่เป็นอยู่ปัจจุบันที่คนอ ย, อยากได้เดียวไม่ต้องทำใช่ไหมก็นปสนับสนุนกระตุ้นความโลภ ก, ก็คืออยากไดไ้ไม่ได้ทำให้คนอยากทำถ้านึกว่าเท่ากระตุ้นใยความอยากได้แล้วคนมันอยากทาเปล่าหรอก คนมันอยากได้เนี่ยมันต้องเลี่ยงทำถ้ามันได้โดไม่ต้องทำคือดีที่สุดน <c oughs> ถ้าทำเพราะมีเงื่อนไขมีกฎมีข้อบังคับรีดเลี่ยงไม่ได้จึง ต, ต้องทำใช่ไหมแล้วก็ทำไดยฝืนใจทำเพราะนั้นสภาพของคนไทยก็คือการหาทางได้ในทางรัดเพราะว่าเรื่อหลีกเรี่ยงการทำแล้วก็ได้ไวไม่ ไม่ทัดใจไปกู้หนี้ยืมสินอะไรต่างๆระบบคอนงซลอะไรต่เข้ามากันใหญ่ตอนนั้นเนี่ยเรากำลังเห้ผลแล้วเราก็ไม่ศึกษาตัวเองให้ชัดว่าเมื่อเราเริ่มยุคพัฒนามาแล้วเนี่ยสภาพประเทศบ้านเมืองเป็นอย่างไรมีข้อดีข้อเสียอย่างไรเนียจน ก, กระทั่งฝรั่งเขาเขียนหนังสือที่ว่า modernization without development าทันสมัยแต่ไม่พัฒนา <laughs> ประเทศไทยนี่ก so, like <laughs> ็มีลักษณะอย่างนั้นทันสมัยอยากมีตึกลามโก็โอเถนนทุนทางดีอย่างฝลั่งแต่มันใช้ถนนไม่เป็นอย่างเขาเรียกว่าไม่พัฒนาเนี่ยเวียดไทยก็ทันสมัยจริงแต่หาพัฒนาไม่ก็เป็นขี้ปากเขาไม่ใช่แค่เป็น developing country ประเทศที่กําลังพัฒนาหรือว่าด้อยพัฒนาอันนั้นมันยังมีคําว่าพัฒนาอยู่แต่นี่มันทันสมัยไม่พัฒนาเลยด้วยซ้ำถ้าว่ากัตามที่ เขาว่าเนี่ยนี่ก็เพราะอันหนึ่งเราไม่รู้เรื่องพลังที่แท้จริงว่าพลังจะเลยขึ้นมาด้วยอะไรวามจริงแนวคิดที่จะมาทำให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยฝ่ายนักสังคมวิทยาเป็นผู้วิเคราะห์มากกว่าด้วยฝ่ายนักเศรษฐศาสตร์เองเนี่ย ไม่คาดเรื่องอ่ะถ้าว่ากันไปแล้วนักสังคมวิทยาเป็นผู้มาวิเคราะห์กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างที่เราฟังในแม็กซ์เวเบอร์อะไรเงี้ยเนี่ยบอกว่าพลังเจริญด้วยศากกรรมมาจากเวอร์กัสติกไอค์พาริดเวอร์กัสติกมไม่ไม่ได้มาจากนักเศรษฐศาสตร์นะนนักเศรษฐศาสตร์บางคนก็อาจจะบอกว่าต้องมีกรีดอย่างในเค้นนี่เป็นต้นเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คนไทยเนี่ย นักเศรษฐศาสตร์เองแล้วก็พวกนักพัฒนาแบบตอนตกเนี่ยต้องตีตราไว้ก่อนว่าไม่รู้จักพลังไม่รู้จักพาเป็นมาว่าอะไรเป็นเหตุปัจจัยของความเจริญของเขาไม่รู้จักภูมิหลังของสังคมตะวันตกแล้วตัวเองก็ไปเอาภาพผิดๆมาว่าเออเพียงก็ให้คนมีความโลภแล้วก็จะได้พัฒนานี่ก็คือความพินาศนพลังที่ จะสร้างสรรประเทศชาติมีนิสัยกระตือรือร้นขยันมันเพียนมีเวิร์เกติกเนี่ยมันมีภูมิหลังมาเท่าไหร่ภูมิหลังจากประวัติศาสตร์จาก p r o s e c u t i o n จาก r e ลลิเยสวอร์จากการลบราค่าฟันจากการที่ต้องตื่นตัวหนีภัยกระตือรือร้นนะจากการหนีไปประเทศอเมริกาจากการที่ต้องขึ้นฝั่งบุกป่าฝ่าดงนะต้องเดินหน้าไป ทางตะวันตกเขาเรียกว่าโกเวสไปตะวันตกนั่นคือความหวังที่ว่าจะเริ่นรุ่งเรืองแล้วก็มีแนวคิด frontier นะว่าไปได้เท่าไหนนั่นคือ frontier ความเจริญความหวังความสำเร็จของเราก็อยู่ที่การบุกฝ่า frontier นี้ออกไปฝรันะ่งฝ่า frontier นี้300ปีนี่หมายถึงอเมริกา300ปีเจนสำเร็จเขาเรียกว่า the c r o s i n g of the frontier ยุคสามร้อยปีที่ฝรั่งต้องฝ่าฟันธรรมชาติที่รุนแรงความขัดแคลนต่างๆการ ต, ต, ต่อสู้กับพวกอินเดียนแดงต่อสู้กับพวกอาณานิคมด้วยกันระหว่างพวกสายอังกฤษแล้วก็สายฝรั่งเศสาสายสเปนอะไรตนียมันทำให้จิตใจขเขาเป็นจิตใจที่เข้มแข็งเป็นนักสู้กระตือรือร้น อยู่นิ่งเฉยไม่ได้ต้องตื่นตัวตลอดเวลาระแวดระวังภัยเนี่ยไอ้พวกนี้ต่างหากที่มันเป็นเรื่องตัวสําคัญในลักษณะนิสัยคุณสมบัติของคนที่มันจะมาให้ทําการสร้างสรรค์ถ้ามีตะกรีดความโลภแล้วมันไม่มีทางแล้วมันอยากได้ไม่อยากทำอย่ที่ว่าเพราะนั้นเรื่องนี้มันน่าจะมีความชัดเจนพอสมควรแล้วเราต้องตีได้ว่าไอ้ความโลภนเสียหาอย่างไร คนไทยนั่นไม่ต้องกลัวหรอกมีความโลภพออยู่แล้วเกินพอเราไม่ใช่มีปัญหากับว่าคนไทยไม่มีความโลภเวลานี้เรามีปัญหากับเราไม่รู้จักปฏิบัติต่อความโลภแล้วก็เราก็มีปัญหาจากความโลภด้วยนั่นแหละอย่างชาวบ้านที่มาขอหวยพระไปขู่ต้นไม้นั่นเพราะโลภใช่ไหมแล้วก็พี่ ได้กันแล้วไม่เป็นการสร้างสรรค์โกงกินบ้านเมืองก็เป็นเรื่องโลกคนไทยโลภพอแล้วทํางไงจะเอาหนึ่งก็คือว่าทํางไงจะเอาความโลภนี่มาใช้ให้เป็นปฏิบัติต่อความโลภให้ถูกต้องเพื่อให้มาเกิดการกระทําขึ้นมาคือว่าทํางไงจะให้ความอยากได้เนี่ยมาเป็นปัจจัยแการอยากทําเนี่ย เพามันอยากได้เลยไม่อยากทําเวลานี้คนไทยมันอยากได้มาอยากทําเยอะๆทาไงจะให้อยากได้มาเป็นปัจจัยคือการอยากทำเนี่ย <Yeah. S 2> ไม่ใช่เป็นเพียง น, นักบริโภคแต่ได้เป็นนักผลิตด้วยน <Yeah. S 2> ีกันหนึ่งสองก็คือเอาอะไรมาแทนความโลภในขั้นที่สองที่มันดีกว่าที่ทําให้อยากทําได้อย่างที่ฝรั่งมีนักวิทยาศาสตร์นักค้นพาร์ทดลองไอทีพวกนี้มันไม่ได้อยากได้อะไรมากหรอก มันบางทีก็ไม่ใช่แม้แต่อยากได้ชื่อเสียงเราอาจจะมีอยากได้วัตถุเสบบำรงมลเรอนี่ระดับหนึ่งแล้วก็อยากได้ชื่อเสียงอ่าระดับหนึ่งแล้วพวกอยากได้บริสุทธิ์อยากได้ความรู้ <Yeah. S 2> อย่างในไอสไตเนี่ยเปศึกษาแกแติดแกถือว่าไอตัวที่จะทําให้วิทยาศาสตร์เจริญมันอยู่ที่ความอยากรู้ความจริงของธรรมชาติยิ่งมีเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความเพียรพยายามที่จะ ทำการทดลองทํากา ร, การคิดคนแสวงหาเพราะฉะนั้นไม่ใช่ความโลภเลยทางชาติาเล็กกว่าฉันทะอยากรู้ความจริงตองธรรมชาติอยากทําการเพื่อให้รู้ให้เข้าใจทําสิ่งที่ดีงามให้เกิดขึ้นอันนี้สิที่เราต้องการถ้าเราได้อันนี้มาก็หมายความพัฒนาคนขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งแต่นี้สำหรับมนุษย์ทั่วไปเนี่ยเราก็ต้องยอมรับความจริงว่ามนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ย ยังพัฒนาได้น้อยก็อยู่กับความโลภแต่ความโลภเนี่ยเราไม่ต้องไปส่งเสริมแต่ว่าความโลภเนี่ยคือหนึ่งราเบีนให้ถูกทางสองทำไงวิธีการเขาฝรังก็คือใช้เงื่อนไขที่เข้มงวดคนที่จะโลกจะให้มันทำนี่ต้องสร้างขึ้นเงื่อนไขให้และสร้างกฎกติกามาบังคับว่าแกอยากได้หรือแกต้องทำใช่ถ้าแกไม่ทำแกไม่ได้ นั้นระบบโลภะนี่จะให้มาสร้างสรรค์เศรษฐกิจให้มีการผลิตเนี่ยมันต้องมีกฎเกณฑ์กติกามาเป็นเงื่อนไขและถ้าเป็นประเทศไทยนี่การใช้กฎกติกาไม่มีประสิทธิภาพนี่เลวอีกนะเพราะนั้นประเทศฝลังใช้โลภะสาเร็จเพราะเขามีกฎกติกาที่เข้มงวดและก็ได้ผลนั้นโลภะนี่จะมาใช้ให้เกิดการผลิต ต้องมีกฎกติกาและระบบการควบคุมที่ดีที่ได้ผลจริงนีไทยเราไม่ได้สักอย่างเราจะเอาโลภมาใช้ดัง น, นั้นถ้าจะเอาโลภมาใช้เนี่ยต้องชัดตรงนี้คือต้องมีระบบปฏิบัติการมาทำยังไงจะให้ความโลภเนี่ยมาสู่การกระทำโดยเงื่อนไขเช่นกฎกติกาและต้องมีกฎกติกาที่ชัดเจนแน่นอนมีปฏิปภาในการบังคับใช้ พลังก็ามาด้อันนี้เนะีพลังก็มาสู่จากพื้นภูมิหลังของเขาก็ามาในแนวของลัทธิอ น, นี้อเมริกันนี่เป็นพิเศษก็อนะินดิวิเดชวลิซึมปัจเจกนิยมคือการที่เอาตัวใครตัวมันเนะีลัทธิตัวใครตัวมันก็มาเป็นลัทธิตัวใครตัวมันทางเศรษฐกษิจนะีที่ถือว่าเมื่อแต่ละคนเอาให้กับตน แสวงหาหกรกตนแล้วให้ได้ ม, มากๆเมื่อมองภาพรวมก็คือสัคงคมก็จะเดินกันอันนี้เป็นแนวคิดของเศรษฐศาสตร์แบบปัจเจกจกชนนิยมของอเมริกันเพราะนั้นลทัทธิตัวใครตัวมันก็ต้องส่งเสริมการแข่งขัน competition นี้ลทัทธิ competition การแข่งขันกันเนี่ยมันก็ต้องมีกฎกติกาเพราะว่าเมื่อั้นไอคนแข็งแรงมันก็เอาเปรียบ มีการผูกขาดเป็นต้นแนะกฎกติกาก็ต้องเข้มงวดและได้ผลจริงๆมันต้องมาได้การหมดต้องกจบวงการนี่ของเราเนี่จะเอาระบบแข่งขันมากดเกณฑ์ก็ไม่ได้เรื่องนะมันก็ไปไม่รอดนะคือมันไม่ได้เห็นคือฝรังเนี่ยเขาไม่ต้องเห็นเขาไม่ต้องรู้เพราะเขาเป็นสังคมที่เป็นมาอย่างนั้นเองนะวัฒนธรรมมันเกิดจากความเป็นอยู่ที่ ที่ขายขายายตัวมาจากสภาพแวดล้อมเหตุปัจจัยที่ให้เป็นไปโดยแม้ตัวเองไม่ต้องตรนักรู้เราไม่จำเป็นต้องยอมรับว่าฝรั่งนี้รู้จักตัวเองไม่จำเป็นต้องยอมรับว่าฝรั่งเข้าใจสังคมตัวเองได้สำหรับเรามีโอกาสที่จะเข้าใจสังคมฝรั่งหลายแง่ดีกว่าฝรั่งเข้าใจตัวเองเช่นเดียวกันที่ฝรั่งมองแล้วก็เข้าใจเราดีกว่าเรา เน่เพราะว่าเมื่อเป็นคนนอกมองมองเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเห็นอะไรที่แปลกใจ ต, ตัวเองชัดเจนขึ้นเพราะฉะนั้นอมเรื่องนี้มีหลายอย่างตาที่จะให้เศรษฐกิจพอเพียงเจ้าหน้านี้นอกจากเข้าใจความหมายและชัดเจนในเรื่องพอเพียงแล้วสิ่งที่เป็นปฏิปักษ์ตรงข้ามก็คือเศรษฐกิจแนวความโลภเนี่ยเราก็ต้องชัดและเห็นโทษทั้งหมดชัดเจนแล้วทั ต้องพูดกันให้ชัดด้วยก่อนอาจจะต้องทั้อย่างที่เมื่อกี้ดูเหมือนท่านอาจารย์เอกวิตระพูดเลยเนี่ยต้องชี้โทษให้ชัดแท้เลยเพราะถ้าหากว่าเราจะให้เขาเข้าใจเรื่องนี้ชัดเนี่ยเราต้องชี้สิ่งที่ไม่ใช่ให้ชัดด้วยแล้วเห็นว่าโทษของมันเป็นอย่างไรเนื่อเรื่องปัญหาเรื่องความโลภนี่เป็นเรื่องที่เวลานี้ก็ยังค่าบัวอยู่นะ เราจะต้องชัดเจนเลยและชี้ให้เขาเห็นชัดเลยว่าเช่นบอกฝรั่งไม่ได้เจริญมาด้วยเศรษฐกิจแม้แต่ด้านเศรษฐกิจก็ไม่ได้เจริญมาด้วยความโลภนะแล้วก็ให้เห็นว่าอะไรเป็นเหตุปัจจัยให้สังคมฝรั่งจเจริญอย่างนี้และวิธีจัด ก, การของฝรั่งต่อความโลภที่ยังใช้อยู่คือระบบเงินไขาการตั้งกติกาที่ว่าคุณต้องทำอันนี้คุณจึงจะได้นะ แล้วต้องให้มีประสิทธิภาพในการใช้กฎอย่างนั้นเป็นต้นะทนีนี้หลายคนก็จะบอกว่าท้าไปใช้ความโลภแล้วฝืนธรรมชาตินะความโลภนี้เป็นธรรมชาติของมนุษย์มนุษย์มันธรรมชาติมันไม่ใช่แค่โลกเท่านั้นนะธรรมชาติมนุษย์มันมีทั้งส่วนดีส่วนเสียมีเมตตากรุณามีความเอื้อเฟื้อเผือเ่อแผ่ถ้ามางั้นเราไม่ถือว่ามนุษย์นี่มีธรรมชาติที่ดีกว่าสัตว์อือใช่ไหมเพื่อนพอ่อน ศตร์อื่นมันก็มีความโลกเหมือนกันธรรมชาติของมนุษย์เราต้องศึกษาด้วยว่าธรรมชาติมนุษย์เนี่ยมันมีอะไรบ้างไหมแต่ในแง่คุณสมบัติมีโลภปถทกมีโทสะมีโมหะแต่มนุษย์จะอยู่ได้โลภะโทสะโมหะจะดูดีการเกียดชังดยการต่อยกันตลอดเวลาหรือใช่ไหมเนะ่ธรรมชาติมนุษย์มีอยู่แต่ว่า ธรรมชาติส่วนดีก็มีมีความเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีเมตตาการุณามีความรักมีความช่วยเหลือเกื้อกูลกันมันก็เป็นธรรมชาติกันแต่ที่สําคัญก็คือธรรมชาติมนุษย์เป็นสัตว์พิเศษที่พัฒนาได้เรียนรู้ได้ศึกษาได้อันนี้ดีที่สุดที่สุดสัตว์อื่นนี่มันศึกษาไม่ได้เรียนรู้จํากัดพัฒนาแทบ ไ, ไม่ได้เลยฝึกไม่ได้ทางพระก็คือใช้คําว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่ฝึกได้และต้องฝึก ถ้าไม่ฝึกแล้วไม่ประเสริฐและจุดนี้คงจะต้องย้ําเพราะว่าเราจะต้องโยมาหาการศึกษาให้ได้คือพัฒนามนุษย์เพื่อจะสร้างคนที่จะมาเป็นฐานหรือเป็นแกนให้แก่ระบบเศรษฐกิจที่จะเรียกว่าพอเพียงหรือจะเรียกอะไรก็ตามนี่จะพัฒนามนุษย์ให้มันถูกต้องเราก็เข้าใจธรรมชาติมนุษย์ว่าในธรรมชาติมนุษย์เนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่โลกหรืออะไรหรือแม้แต่ว่ามีความดีงาม แต่มันอยู่ที่เป็นสัตว์ที่พัฒนาได้ะฉะนั้นก็คติพุทธศาสนาก็คือมนุษย์เป็นสัตว์ที่สุดได้และต้องฝึกเพราะว่าสัตว์ชนิดอื่นนั้นมันอยู่ได้ในสัญชาตญาณพอมันเกิดมานี่เรียนรู้นิดเดียวก็อยู่ได้และ ว, วันเดียวบางทีก็มีชีวิตรอดแต่มนุษย์นี่ถ้าไม่มีการฝึกไม่มีการเรียนรู้นี่ยอยู่ไม่ได้เลยอยู่ไม่รอดตายอย่างเดียวแล้วก็ใช้เวลาในการเรียน เรียนนานมากในการฝึกนี้ต้องเป็นศิกปีเนี่ยกว่ออา จ, จะสามารถดูแลเลี้ยงตัวเองได้นั้นจุดนี้เป็นจุดที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งก็คือพอเราพัฒนามนุษย์ได้เนี่เราสามารถให้มนุษย์เนี่ยหนึ่งนำความโลภนี่มาใช้โดยมีการจัดตั้งวางระบบในสังคมเพื่อควบคุมความโลภและอันเหเบนให้ความโลภนี้ออกผลด้ทางที่ดีเช่น มีกติกาใน ก, การที่ทำให้เขาต้องทำการผลิตเพื่อจะได้เป็นต้นเนี่ยมนุษย์ทั่วไปจำพวกมากเนี่ยจะอยู่ในระดับนี้มากแต่ว่าเราไม่ได้ยอมให้เขาหยุดแค่นั้นสิ่งที่ดีที่จะทำให้มนุษย์ทำโดยไม่ต้องมีคนอื่นมาคอยควบคุมก็คือการสร้างคุณสมบัติภายในคือความอยากทำที่เขาเรียกว่าฉันทะ อยากแสวงหาความรู้เนี่ยอยากทำสิ่งตั้งหลายให้ดีงามซึ่งมันก็มีทุนอยู่ในธรรมชาติของมนุษย์แล้วถ้าเราให้การฝึกมีการพัฒนาที่ถูกต้องมนุษย์ก็จะก้าวไปในการที่ว่าตอนนี้ทำแล้วก็มีความสุขโดยที่จะได้ไม่ได้เรามนุษย์ก็มาวางระเบียบในสังคมเอาเพราะว่าเรามีเศรษฐกิจที่เรามีเป้าหมายมีแนวทางมีขอบเขตชัดเจนแล้ว เนะี่ยว่าแต่ละคนไปอยู่ทางวัตถุเท่านี้เท่านี้ก็เพียงพอเนะนี่ยนี้เราก็ทําเพื่อความดีงานสร้างสรรค์อย่างอื่นต่อไปให้ตรงจุดเนี้ที่ว่าที่เราไม่พอท้าเรียกว่าไม่พอไม่สนุนดดในกุศลธรรมเนี่ยพระพุทธเจา้าไม่เคยให้หยุดเพระพุทธเจ้ากรัสว่าที่เราได้สัสรู้ที่เรียกว่าบรรลปโธธิญานเนี่ยได้เห็นคุณค่าของ คุณสมบัติสองประการหนึ่งความไม่สันโดษในกุศลธรรมทั้งหลายนี่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เพราะไม่สนโดษนะแต่ว่าไม่สันโดษในกุศลธรรมนะ่าจะไปบอกไม่สนโดดในวัตถุแล้วก็จบเลยพระพุทธเจ้าว่าพระองค์ตรัสรู้เพราะไม่สนโดษในกุศลธรรมและเพียรพยายามไม่ระยอหมายความเมื่อเห็นอะไรเป็นสิ่งที่ดีงามถูกต้องพระองค์อยากจะทําแล้วทําไม่มีระยอเลย แล้วข้าวเรื่องความเพียรก็ในหลวงพอดีตอนนี้ทรงเน้นเรื่องวิริยะบารมีซะด้วยเนี่ยราภาพพูดบ่อยๆว่าสังคมไทยเราเนี่ยเราพยายามก้าวเข้าถึงพุทธศาสนาและนําพุทธศาสนามาใช้มาสู่ระดับวัฒนธรรมเราก็เข้าใช้ดึงเอาหลักธรรมมาใช้ในวัฒนธรรมไทยเราดึงเอาเช่นหลักทานบารามี อาบารมีพระเเจ้ามาได้ข้อหนึ่งเราก็มาเทนรึงเ <c oughs> วทสันดรชาดกประเทศมหาชาติกันจงกระทั่งว่าเราก็ได้ผลคนไทยนี่มีจิตใจเอืเ้อเฟื้อเผื่อแผ่พร้อมที่จะให้เนี่ยอันนี้เราพูดได้เต็มปากเนี่ยเพราะคนไทยมีจิตใจเอืเ้อเฟื้อเผื่อแผ่พร้อมที่จะให้แต่ว่าเราจะหยุดอยู่แค่นี้หรือบารมีตั้งสิทธ์ทำไมเราไม่ก้าวต่อเนี่ยนั่นก็เลยมองว่าการที่ในหลวงทรงนําเรื่มมองมหาชนบมา อาตมาจะดาวถูกหรือไม่ก็แล้วแต่เนี่ยดาเองเป็นภามรับิดชอบเดีก็ <c oughs> คืออาจจะทรงเห็นว่าคนไทยเรานี่อยู่กับทานบารามีพอแล้วน่าจะเจ้าไปสู่บารามีอื่นบ้า <c> ง <oughs> นี่บารามีที่เหมาะในยุคสมัยนี้เนี่ยคือหนึ่งนอกจากเจ้าไปสู่บารามีดนให้มันเ้าห น, น้าสองก็คือว่ายุคสมัยเนี้ยคนไทยจะต้องใช้ความเพียรพยายามเพราะฉะนั้นก็เน้นวิริยะบารามี เอามหาชนกขึ้นมานั้นก็อาจจะได้องค์ประกอบในวัฒนธรรมไทยเพิ่มขึ้นจะเรียกเป็นความก้าวหน้าก็ได้ถ้าเราทำให้ดีแล้วเนี่ยคนไทยต้องมีความเพียรพยายามเพราะว่าคนไทยนี่มันมีจุดอ่อนอย่างหนึ่งก็คือการช่วยเหลือช่วกูนเป็นมากซึ่งเป็นข้อดีมีพรหมวิหารมีเมตตากรุณาแต่เราก็ต้องยอมรับความจริงว่าเราเอาพรหมวิหารมาใช้ไม่ครบสี่ เราเอาเมตตากรุณามามุทิตาเราก็ไม่ค่อยเอาใช่ไหมล่ะ <laughs> มุทิตาก็คือว่าคนที่ทาําความดีประสบความสําเร็จกาหน้าต้องพอยินดีส่งเสริมสนับสนุนในมุทิตานี้ไม่ค่อยเอานะี่ยแยิ่งอุเบกขานี่ไม่รู้เรื่องเลยเนะี่ยไม่ไม่รู้ไม่รู้จักแล้วจะไปใช้เป็นได้ยังไงนี้อุเบกขาเนี่ยมันเป็นตัวดุล <laughs> ไม่ให้คนไทยนี่ช่วยเหลือกัเกินไป ช่วยเหลือไม่สมเหตุผลช่วยเหลือร่วงละเมิดธรรมช่วยเหลือผิดหลักการกติกาใช่ไม่ได้อันนี้ต้องหยุดด้วยเบขาอุเบขาก็คือตัวรักษาดุลว่าการช่วยเหลือกันในหมู่มนุษย์นี้จะต้องอยู่ในขอบเขตของธรรมต้องอยู่ในขอบเขตของความจริง ค, ความถูกต้องดีงามกฎเกณฑ์กติกากฎหมายนะพอเอาอุเบขามาคุมปักเมตตาคุณธรรมเมืมิอตามีขอบเขต ท, ทันทีระบบ อ, อุปถัมภ์ต้องทำมาไม่ได้เนะี่ แล้วอุเบกขานี่ก็ทําให้ทุกคนนี่จะต้องเพี่ยนพยายามขึ้นตัวเองให้ได้เต้องพัฒนาตัวเองก็ต้องมีความเปี่ยนและหลักพุทธาสนานี่ก็กรรมวารีวิริยะวารีพระพุทธเจ้าก็ตรัสย้ำไว้แล้วว่าเราเป็นกรรมวารีเราเป็นวิริยะวารีเราเป็นผู้ถือหลักการแห่งการกระทาเราเป็นผู้ถือหลักการแห่งความเพี่ยนใช่ั้มเลยดังนั้น อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เหมาะสมกับยุคสมัยอย่างหนึ่งที่เราจะต้องมาเน้นความเพี่ยนความเพียนในการสร้างสารรค์ซึ่งจะสําเร็จได้ในการที่มีฉันทะที่อยากทำนะคนไทยจะต้องพัฒนาตัวนี้ไม่ใช่พัฒนาความอยากได้อยากได้มีพอแล้วแต่อยากทํามันยังไม่มีนั้นก็จะมีความสุขไม่ใช่เพียงจัด ก, การได้ผู้ที่มีความสุขจะ การได้การเสพการบริโภคก็ต้องอ่อนแอลงทําไม่เป็นต้องพึ่งพาคนอื่นนี้พออยากทํามันก็จะเกิดการพัฒนามีความสุขจากการกระทาคนอยากในเรื่องใดได้ทําสามนั้นได้สองความต้องการนั้นก็มีความสุขเพราะนั้นเมื่อเขาอยากได้เขาได้เขาก็มีความสุขจากการได้ทีนี้คนเมื่อมีแต่ความอยากได้แก่ก็หาความสุขจากการได้นี้พอคนอยากทํา แกจะมีความสุขเมื่อแกได้ทำเนก็แกก็หาความสุขจากการทำก็เป็นนักผลิตนักสร้างสรรค์ไปอันนี้ที่เราต้องการขนาดนี้ก็คือทำไงจะให้เด็กไทยเนี่ยมีไอ้ตัวความอยากทำอยากสร้างสรรค์อยากทำอะไระอะไรให้มันดีไม่ใช่อยากได้ไม่ใช่อยากเสพบมุงบมเลอย่างเดียวก็อยากสร้างสรรค์อยากทำ ก็จะเกิดการผลิตในทางเศรษฐกิจเนื้อเศรษฐกิจก็จะเกิดการสร้างสารรค์ขึ้นมาอันนี้คนเราจะมีความสุขที่พัฒนาด้วยไม่ใช่ยู่แค่ความสุขระดับแรกแค่เสพบำรุงเงินเลอแล้วก็หมกมุ่นมัวเมาสังคมก็นเละเทอบายมุขถ้าคนไทยมีความสุขจากการทำเหมือนก็การทำทียกร้องการรู้คนเราจะทําอะไรได้ต้องรู้หรือไม่รู้ไ ม, รไม่ทําไม่ได้เพราะฉะนั้นจากการอยากทํา ก็จะทําให้เกิดการอยากรู้แล้วก็อยากรู้อยากทําก็คู่กันในทรรมเรียกว่าฉันทะเกิดขึ้นเพราะฉันทะเกิดขึ้นก็สุขจากฉันทะสุขจากการได้รู้ได้ทําังนั้นก็จะเป็นนักวิทยาศาสตร์หาความรู้อย่างไอสไตล์มีความสุขจากการแสวงหาความจริงของธรรมชาติอย่างนี้เป็นต้ น, นแล้วความเจริญพระธาที่จะต้องวัดชี้กันให้เต็มที่แล้วก็ที่บอกว่าอาจจะต้องตีกันแรงๆนะถพาเวลานี้ดูแลนักเศรษฐศาสตร์เนี่ย ที่ธรรมชาติสังเกตเป็นจริงอย่างนั้นหนึ่งไม่รู้ว่าสังคมตอนตกนี่จะเริ่มมาอย่างไรไม่รู้ภูมิหลังบางท่านเขียนมาบอกว่าผมก็เข้าใจว่าเห็นพลังมันก็จเจริญ ม, มันก็เหมือนคนไทยนี่แหละอยาได้โนโูนไดนี่มันก็สร้างขึ้นมาอะไรทํานองเนี้ยไม่รู้ว่าภูมิหลังสังคมเขาเป็นอย่างไรแล้วก็อย่างที่ว่าเนี่ยไม่เข้าใจเรื่องธรรมชาติของมนุษย์พูดเอาง่ายๆบอกว่า ความโลกเป็นธรรมชาติมนุษย์ถ้ามนุษย์ไปสอนให้เขาไม่โลกก็ฝืนธรรมชาติสีอะไรเนี่ยนะไม่รู้มนุษย์มาพัฒนาได้มนุษย์มีคุณภาพมีคุณสมบัติอะไรอย่างอื่นแล้วมนุษย์ที่เขาเจริญอย่างพวกนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาไม่ได้มัวมาติดอยู่กับความโลกหรอกเนี่ยถ้านักวิทยาศาสตร์ผลคว้าวิทยาศาสตร์เพื่ออยากได้วัตถุได้เงินทองตอบแทนเนี่ย ไม่ไปไหนอ่ะเลยผ่อนมันจะโกงด้วยจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่โกงหรือเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่รับใช้อุตสาหกรรมนั ก, ร, นกรับใช้นักธุรกิจนักวิทยาศาสตร์ที่สร้างความเจริญที่แท้เนี่ยเขาต้องการสนองความใฝ่รู้อย่างเดียวเลยนะอยากจะรู้ความจริงอั น, นี้เป็นตัวนำใ้ส่วนความอยากอื่นนี่เป็นเครื่องประกอบเท่านั้นนะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่คนไทยนี่ จะพูดไปในแง่นหนึ่งก็มีการศึกษาที่ไม่ใช่การศึกษาเนียการศึกษาที่แท้ไม่มีนีคือไม่รู้จักคิดไม่รู้จักวิเคราะห์ความจริงของสิ่งที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้องแม้จะไปเรียนตะวันตกมาก็ไม่ได้ศึกษาตะวันตกให้มันเข้าใจชัดเจดนแล้วก็แม้แต่ความสุขก็ยังไม่รู้เรื่องนว่าความสุขของคนก็พัฒนาได้อันนี้วันนี้จะมาก็ ขอพูดไวแค่นี <GPU forgive> <c ười> <c ười> ้ก่อนก็รู้สึกว่าจะพูดแรงมากหน่อยเอดเดอม่ชจ้ะทีบางประเด็นที่นอาารได้ให้ความรู้ให้ทวาเข้าใจที่ที่ดีเลิศแผมเกรงว่ายางจะมีคนโตเรียนได้และไปไปเข้าใจไม่ไม่ชัเจนอย่างเช่นทาบอกว่าสองคที่ดีน่าจ เข้าใจความโลกและควบคุมทําโลกได้สร้างกฎกติกาแต่พอมาไปยุใช้สังคมไทยแล้วมันจะมีว่ากติกาสร้างได้รัฐธรรมนูญใหม่สร้างได้กติกาสร้างได้จากคนเก่งของเมืองไทยคืออาวุธสิิชนที่ไม่ต้องเคารพกติกาใหญ่จริงจะทําได้แม้ว่ามีกติกาซึ่งอยู่แล้วก็มีความสามารถพิเศษที่ทได้ที่คุต้องถามมันไปในเบื้องแค่คือว่า ที่เป็นข้อต่างชัดเจนระหว่างสังคมไทยกับสังคมฝรั่งก็คือฝรั่งเนี่ยมันอยู่ได้ในกฎกติกาจึงเขาภูมิใจว่าสังคมเขาเป็นสังคมจรู้นอบหล่อใช่ไหมล่ะมั้งฝรั่งภูมิใจนี้มากแต่สังคมไทยเนี่ยมันมีกฎแล้วมันอยู่ในกฎไม่ได้นะมันเอากดมาบังคับใช้ไม่ได้มีความเลือกปฏิบัติมีการที่ปฏิบัติไม่ได้ตามกดก ฎ, กฎไม่เป็นผลไม่มีประสิทธิภาพในการบังคับใช้ นาใครไม่ต้องทําตามกฎกลายเป็นคนเก่งอะไรเงี้ยแล้วก็นี่คือตัวความบกครองบอกถ้าจะใช้ความโลภนะก็คุณก็ต้องทําข้อนี้ให้ได้ใช่ไหมลูกถ้าจะใช้ความโลภคุณต้องมีกฎกติกาที่ได้ผลจริงต้องเข้มงวดนาะอันนี้มันต้องมาด้วยกันนาะยแต่ว่าไม่ใช่แค่นั้นอ่ะหนึ่งก็คือว่าเมื่อโลภต้องใช้กฎให้ได้ผลแต่ว่า สองต้องก้าวต่อไปก็คือมีอะไรดีกว่าที่มาแทนความโลภให้คนทำโดยไม่ต้องโลภแล้วก็พัฒนาต่อไปเนาะครับก็ได้ความชัดเจนอีกเดอหนึ่งที่ผมเคยกับเองตามขั้นตอนคือว่านี่ผมเข้าใจผิดกันแล้วก็สร้างอีกคนมากว่าเมืองไทยมันมวิบัติสมัยยองพอสุขต้นมา เลยกลายเป็นว่าคือคนไหยชอบาาํามกระาสทุกขั้นตอนนั้นดีหมดตั้งแต่ตำริจมาแล้วเรีย น, นยไม่ใช่อย่างนั้นจรงเรารับคุณนิยมรือเราเสียเปล่าแล้วเราเราไลม า, ารประเทศเติทอามาถอดนั้นมานสมัยเจ้าคนปอมก็ดีแม่สมัยสมุนเอาอยู่ยอดสิทธิ่รานก็ไม่ได้มีอะไรที่ดท้หมดี่เราเรินตามสน่อยๆ่อยเพราะจะเสียมือก็เลยต้องตามกันไปหมดในเรงที่ แม่ก็เป็นโดดเ่นมากแบบมันก็มีอยู่แต่วอมจะลืมหมดนะมาเลยมาจำเลยจำเลยเด็กจำคนที่เป็นแต่จริงๆเรามีพัฒนาการมันเล่นเครื่องมันมันดีเท่าตอนนั้นแต่เราเราทิดมากอดน้ำเยอะคืออันนี้อนภาพพูดไปเพียงจุดสังเกตที่เห็นเด่นชัดเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเน้นโลกแล้วก็ห้ามสอนสันโดษใช่หอพแต่ที่จริงคนไทยเนี่ยมันโลภมานานแล้ว เนี่ยอยากได้ง่ายๆโดยไม่ต้องทํานีและที่สําคัญก็คือสภาพแวดล้อมที่เพือกูลที่สุขสบายทำให้เฉื่อยชาได้ง่ายวันนี้หลักของมนุษย์บุตุชนเนี่ยก็มีอยู่แล้วว่ามนุษย์เมื่อถูกทุกข์บีบรั้นภัยคุกคามจึงลุกขึ้นดิ้นรนขนขายเมื่อสุขสบายก็จะลงุงหลงละเลินเพลิดเพลิ น, น, นมัวเมานอนสวยสุข อันนี้นอันนี้มันเป็นหลักทั่วไปอยู่เพราะฉะนั้นคนไทยเนี่ยปัจจัยเคลื่อนหนุนอันหนึ่งก็คือสภาพแวดล้อมที่มันอยู่สุขสบายอย่างโยมตาตมานในเล่าเองบอกว่ า, าสมัยก่อนเนี่ยเวลากลางวันก็หับข้าวหับองไปขายเรืออร่อยพอบ่ายหน่อยเสร็จแล้วก็มานั่งคุยกันที่ลานบ้าน บ้านก็ชาตไทยนี่ก็สร้างอยู่บนริมแม่น้ําใช่ไหมใช่ใชเลยพอดนะ่าริแม่น้ำเนะ่ยแล้วก็มีท่าน้ําลงไปเนะ่ยก็มานั่งคุยกันคุยกันพยากรีนอาหารอา้าไปช่วยจับปลามาหน่อยคนหนึ่งก็ลงไปที่ท่าน้ําจับได้เลยเนะีแล้วก็เอาไปส่งให้แม่ครัวก็ต้มกันเดี๋ยวนั้นแล้วก็ได้กินคือมันง่ายเหลือเกินแหะมันไม่ต้องดิ้นรนขนขวาย สภาพอย่างเงี้ยมันทาให้คนผัดเพี้ยนอ่เมื่อ น, นั้นก็ได้เมื่อ น, นี้ก็ได้ไว้พรุ่งนี้เถอะเดือนหน้าเนี่ยฤดูการสภาพอากาศดินฟ้าและความดงสมบูรณ์เนี่ยทําให้คนไทยเนี่ยช่วยชาได้ง่ายไม่กระตือหรือล้นเน่ยไม่มีแรงบีบให้ดิน้นนี่ยเะนั้นก็เลยผัดเพี้ยนเก่งเพระนั้นความไม่ประมาทจะมาได้ง่ายมาก เพราะนั้นอันนี้ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงก็มีอันนี้อันหนึ่งที่จะต้องเน้นคือระวังอย่าให้คนไทยประมาทว่าในเมื่อเราไม่มีตัวบีบแล้วเนี่ยนะียอย่างฝลังใช้ระบบแข่งขันมาเป็นตัวบีบแล้วระบบแข่งขันมากับระบบตัวใครตัวมันเนี <S <S ถ้าแกไม่ดิน้นแกตายเองไม่มีใครเอาแกเนี <S <S 2> <S 2> ไอ้ตัวที่มันหวังพึ่งใครไม่ได้เนี่ยมันต้องดิ้นเพื่อจะให้อยู่ได้ให้รอดเพราะนั้นมันก็ ช่วยชาไม่ได้แต่ของไทยนี่สภาพแวดล้อมก็บสบายอุปกรณ์มสมบูรณ์ก็ออกมีแต่ยังมีการช่วยเหลือเลือกเสื้อเผื่อแผ่กันโดวยวัฒนธรรมอีกนั้นวัฒนธรรมที่เลือกเสื้อเผือกแผ่เนี่ยเราที่วัดดีเนี่ยเราต้องมองจุดอ่อนไว้ด้วยเนยจุดอ่อนก็คือถ้าเราไม่พัฒนาคนให้มารับกันเนี่ยคนจะอ่อนแอและมีนิสัยหวังพึ้นผาได้ง่ายและเฉื่อยชาเพราะนั้นต้องเตรียมพร้อมที่จะระวังตรงนี้ เมื่อเราจะให้คนมีคุณธรรมดีงามซึ่งประเสริฐมากมีความรักไถ่ช่วยเหลือเพื่อกูัมีมิตรไมตรีเนี่ยจะต้องมีเครื่องที่จะมาจำกับให้คนไม่ประมาทด้วยนั้นพระพุทธเจา้าจึงเน้นนักเรื่องความไม่ประมาทคนดีคนมีสุขคนประสบความสําเร็จจะมาตกหลงความประมาทใช่เลยพอดังนั้นพระพุทธเจา้าจึงเตือนอย่างไรให้บุคคล ก็ขอย้ำอีกทีพระญ ย, ยบุคคลเนี่ยยังไม่สําเร็จพระรหัสมีพระสูตรหนึ่งพระพุทธเจ้ากัดไว้มีพระญาบุคคลที่ได้บรรลุคุณวิเศษด้วยความเพยียรพยายามโอ้เพียรพยายามปฏิบัติมาจนได้บรรลุคุณธรรมวิเศษชั้นสูงอย่างนี้พอได้บรรลุก็เกิดความพอใจขึ้นมาโอ้นี่เราได้บรรลุภูมิธรรมทุก่านนี้แล้ว คนนี้พอลองพ อ, พอใจปั๊บเนี่ยมันเริ่มเชยลงทันทีเลยพระพุทธเจ้าก็ทันฝันเหมือนกันนะพระองค์ตร์สบอกนี่เธอประมาทแล้วว่างันเลยเลยพอเนี่ยพระพุทธเจ้ากัดบอกว่าเราไม่สนับสนุนแม้แต่ความตั้งอยู่ได้ในกุศลธรรมทั้งหลายฉันไหนเลยเราจะสนับสนุนความเสื่อมถอยจากกุศลธรรมเรื่อยไป เราสรรเสริญอย่างเดียวแต่ความก้าวต่อไปในกุศลธรรมทั้งหลายนนี่คือหลักการพุทธศาสนาที่ให้ไม่สันโดษในกุศลธรรมแล้วก็ให้มีความเพียรโดยไม่ประมาทนั้นหลักความไม่ประมาทนี่สําคัญมากสาหรับสังคมไทยเพราะสังคมไทยนี่มีปัจจัยหลายอย่างที่จะทําให้ประมาทสังคมฝรั่งมีเครื่องช่วยอยู่แล้วระบบแข่งขันระบบตัวใครตัวมันเนี่ย ประมาทไปได้เนี่ยแต่มันไม่ใช่ประมาทไม่ใช่ความไม่ประมาทแท้มันเป็นความไม่ประมาทที่เกิดจากความบีบคั้นเนี่ยไม่ได้เกิดจากปัญญาหรือเกิดจากสติที่แท้จริงหรือพอจะว่าเป็นอนุพลไทยต้องขอไยัยไม่ใช่ว่าจะมาว่าท่านจาโพสร์คุณเดียรที่จริงที่ท่านทําส่วนดีก็มีแต่ว่าท่านมันเน้นเรื่องนี้แล้วก็มาทําให้คนเนี่ยจะเข้าใจผิด เช่นเรื่องสันโดษแต่ว่าคนไทยเข้าใจผิดอยู่แล้วนะอาตมาาพเห็นว่าคนไทยในเข้าใจสันโดษผิดเพราะว่าสันโดษก็เช่ น, ค, ชนคุณธรรมอื่นคือมันมีจุดหมายว่าเพื่ออะไรถ้าถามคนไทยว่าสันโดษคืออะไรสันโดษเพื่ออะไรเนยะคนไทยจะตอบวุ่นหมดเลย สันโดษคืออะไรยังพอได้บ้างแต่เดี๋ยวนี้หลายคนเขวสันโดษคือปลีกตัวไา อ, อยู่ลาพังนี่ความหมายเดี๋ยวนี้อย่างนี้ก็มีอันนั้นเขาเรียกวิเวกไม่ใช่สันโดษนะสันโดษเป็นเรื่องการปฏิบัติเกี่ยวข้องท่าทีต่ ว, วัตถุพราพอใจในวัตถุที่เป็นของตนเท่าที่ตนมีนะที่ได้มาโดยถูกต้อง น, นี่สันโดษเพื่ออะไรเนี่ยหลายคนจะตอบว่าเพื่อความสุข สันโดษเป็นความสุขในตัวความสุขเป็นผลพลอยได้ของสันโดษแต่สันโดษเป็นการเตรียมตัวเพื่อให้พร้อมที่จะทำหน้าที่แน่นอนเลยอันนี้ถ้าพะไม่สันโดษครับใจคิดจะหาจีวรสวยที่ไหนใช่จะหาอาหารอร่อยที่ไหนฉันพ่งนี้จะไปฉันที่ไหนดีจะหาอะไรใครจะมาท่า น, นี้ก็ทำให้ดิ้นลนในทางไม่ชอบ เรียลัยอาหารทางหาลาบอะไรต่างๆนแล้วใจไม่อยู่กับงานหน้าที่ของพระเราเรียนศึกษาปฏิบัติเฮยแผลทำไม่เอานี่พอพระสันโดษครับนก็มีกำลังพอทำงานได้และ เ, เวลาราย ง, งานความคิดก็มาอยู่ที่หน้าที่ของตัวเองระดม เวลาในงานและความคิดอุทิศตัวให้แก่งานแก่การสร้างสรรค์ทําทสิ่งที่ดีงามได้เต็มที่สันโดษนี่เป็นคุณธรรมสําหรับเตรียมตัวให้พร้อมที่จะไปทําเพราะทุกคนมีหน้าที่อยู่แล้วอันนี้สันโดษคนไทยที่น้าอันตรายก็คือว่าพอไปสันโดษแล้วสบายก็ <c oughs> <c oughs> มีความสุขด้วยวัตถุที่มีแล้วก็เลยแค่ฉันสุขแล้วก็นอนเลย <c oughs> ถ้าอย่างนี้ลเรเจะไปไม่รอด ก็เลยพอได้ขอไฟไม่เดือดเลย